บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าหลักคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ประการผลจากความรู้ความเห็นในอริยสัจทั้งสี่ ย่อมบรรลยผลให้บุคคลผู้รู้ผู้เห็นได้ประสบความสุขความสงบตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆสำหรับในวันนี้จะได้พูดถึงการตรวจสอบอริยมรรคทั้ง8ประการที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนว่าอริยมรรคทั้ง8ประการนั้นได้มีส่วนเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตมากน้อยแค่ไหนเพียงใร ก้อนนี้เพ่งเข้าใจว่าเมื่อกล่าวกันโดยกลุ่มธรมแล้วธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอยู่ในอริยมักมีองค์แปดทั้งหมดดันั้นในชั้นของการตรวจสอบผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าการปฏิบัติแม้ในชั้นของทานใหม่คือการให้ทานก็อยู่ในองค์อริยมัก ในการให้ทานนั้นบุคคลสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนของทานอย่างที่ทรงแสดงถึงความสมบูรณ์ของทานว่าปัจจัยที่ได้มาจะต้องเป็นปัจจัยที่ได้มาโดยธรรมเจตนาในการให้จะต้องเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลและบุคคลผู้ให้ และบุคคลทั้งบุคคลผู้ให้และบุคคลผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลมีกันรรยาณธรรมอยู่ภายใน ใ, นใจได้คำสอนในแนวนี้เองที่ออกเป็นรูปของจาคานุสติในอนุสติทั้งส0ประการซึ่งว่าที่จริงก็คือเรื่องของการสวจสอบดูว่าในการไปจากทานการให้ทานของตนนั้น ในเชิงของเจตนาสามารถรักษาเจตนาของตนไว้ได้ดีไหมส่งแบ่งเจตนาออกเป็นสามช่วง <c oughs> คือก่อนที่จะให้ขณะให้และหลังจากให้ไปเมื่อมองย้อนกลับไปบุคคลก็จะเห็นภาพอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือว่าเจตนาทั้งสามการนั้น สามารถรักษาไว้ได้ดีทั้งก่อนให้ขณะให้ได้หลังจากให้มีจิตใจประกอบด้วยความเสียสละความปีติปราโมทหรือปีมใจเมื่อบุคคลย้อนะลึกวนนรกไปเพราะว่าจิตใจของตนสามารถรักษาไว้ได้เช่นนั้นความปีติความปราโมทก็จะบังเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในผลของทานในการให้ทานสัถ้าอุสาหะในการที่จะประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาการปฏิบัติดำเนินของบุคคลผู้นั้นก็จะเดินเข้าสู่ความสมบูรณ์ในจุดเหล่านั้นขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลมองไปเห็น ศึกษาไปถึงการได้มาซึ่งปัจจัยที่ใช่บริจกักเห็นความขุ่นมัวเร้ามองของการได้มาของความไม่บริสุทธิ์แห่งปัจจัยเหล่านั้นก็จะเกิดความไม่สบายใจความปีติปราโมทย์ที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดความสลดใจก็จะเกิดก็จะหันไปปรับไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในส่วนของปัจจัยการประพฤติปฏิบัติก็จะมีการขัดเกลาวในแนวนี้ขึ้นไปโดยลำดับส่วนมากแล้วเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงไว้ในรูปของการปฏิบัติจงๆงเพื่อบุคคลสามารถพิจารณาตรวจสอบได้่นในกรณีของบุคคลหรือภพที่บุคคลจะพึงได้จากการบริจาคทานว่าจะมีมากหรือมีน้อย ในชันก็ง่ายๆคือเข้าใจกันง่ายไม่ต้องมานั่ง พ, พิจารณาย้อนในแนวของกรรมฐานอย่างนี้ก็สรงสอนให้ดูที่เป็นรูปธรรมไปได้เพราะการบริจาคทานบางอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยการทั้งสองฝ่ายคือผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ ผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นก็มีน้อยเหมือนพืชชนิดเลวว่ะเรานในดินชนิดเลวผลของพืชก็จะมีอยู่น้อยแต่การให้ทานบางอย่างนั้นผู้ให้มีเจตนาองค์ประกอบของการให้มีความบริสุทธิ์หมดจุดแต่ผู้รับไม่มีความบริสุทธิ์ผลมันก็น้อยแต่ก็ดีขึ้นกว่าประเภทแรก เมื่อการหวานพืชช น, นิดดีโดนในที่ดินที่ไม่ดีทําให้คุณภาพของพืชลดลงไปโดยการให้บางอย่างนั้นผู้ให้ขาดศีลขาดกัญยาณ ร, รมเหตนปัจจัยที่ได้มาก็ไม่ถูกต้องตามธรรมเจตนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ผู้รับนั้นมีความบริสุทธิ์หมดสุดก็ทําให้ผลของการให้ทานนั้นก็ลดลงกึ่งหนึ่ง เหมือนกับการเอาพืชชนิดเลวไปปลูกในดินชนิดดีถึงยังไงก็ทําไม่ดีขึ้นมามากนักไม่ได้เพราะชนิดของพืชไม่ดีเล้วการให้บางอย่างนั้นบริสุทธ์ด้วยการทั้งสองฝ่ายยะมีผลมีอนันสงมากเมือ่อการปลูกพืชชนิดดีลงในดินชนิดดีผลของพืชก็เพิ่มพูนมากขึ้นคือได้ปัจจัยสนับสนุนด้วยการทั้งสองฝ่าย พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในแนวนี้ก็คือทรงแสดงตรวจสอบเสก่อนหรือตรวจสอบในขนาดนั้นหรือตรวจสอบหลังจากได้ทำไปแล้วและผลก็จะเกิดขึ้นกัจิตในสองแนวคือถ้าเห็นความบริสุทธิ์หมดจดในสิ่งที่ตัวทำซึ่งผ่านมาแล้วความปีติประุมทก็จะเกิดขึ้นเห็นความผิดพลาดบกพร่องความยังขาดอยู่ พอจะเกิดสลดใจแล้วก็เปลี่ยนพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีผลประโยชน์ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมนึกในแนวนี้จะเห็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็ตามแต่จะนำไปสู่ความดีที่ยิ่งขึ้นไปดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งมาสรุปลงในอริยมรรคนั้น บุคคลอาจจะดูในส่วนของศีลสิกขาคือส่วนของสมาวาราจาจริการเจรจ า, าชอบโดยพิจารณาถึงหลักของวจีสุจริตว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรเราจะพรบว่าวจีสุจริตเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องที่พูดนั้น ไม่มีผลในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นคือไม่ส่อเสียดจู้จงให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่ต้อยคําหยาบคายไร้กาศแสดงหูสแสดงใจของบุคคลอื่นไม่พูดเรื่องที่ไร้สายระร้ายประโยชน์หรือเรื่องที่เพ้อเจอ้อในชั้นนี้ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่จะให้เกิดการงดเว้นทันทีน ปัญหาสำคัญในชั้นของการตรวจสอบก็คือตรวจสอบดูการใช้วาจาของตนไปใน4แนวนั้นว่าได้มีการงดเว้นไปตามที่ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าจะงดเว้นงดเว้นได้นานขึ้นไหมปริมาณของความดีที่สูงขึ้นหรือเปล่าพระาหางว่าปริมาณของความดีสูงขึ้นความสุขก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปริมาณความดีไม่สูงขึ้น ในด้านของความไม่ดีแกก็จะสูงขึ้นคือสายของสมุทัยก็จะสูงขึ้นซึ่งหมายความว่าความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ในชั้นของการงดเว้นอาจจะพิจารณาเห็นว่าในชั้นนี้ก็รักษาไม่ขาดไม่ทะลุไม่ให้ด่างไม่พร้อยการพูดก็มีความเป็นอิสระในตัวเองสูงขึ้นแล้วก็ ไม่พูดไปด้วยอำนาจของตันหาด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วก็จิตใจก็ออดโยนลงพร้อมที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดความสงบให้บุคคลก็มาดูในชั้นอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่เป็นธรรมะพยานที่เคยบอกมาแล้วว่าสีนั้นเป็นบัตรใ ด, ดเป็นภาคพื้นที่จะเดินเข้าสู่ธรรมะโดยชีวิตของคนในโลกนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีทั้งศีลทั้งธรรมในแง่ที่เป็นกุศลเช่นคนที่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนกระทาย่ํายีตัวเองหนักยิ่งขึ้นบางพวกก็เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนด้วยย่ายีตัวเองหนักลงไปแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนหนักลงไปด้วยซึ่งหมายความว่าคนทั้งสองประเภทนี้ไม่มีธรรมะไม่มีศมีลเลยเรื่องธรรมะไม่ต้องพูดกัน าการสอนในชั้นแรกจึงปรับที่ภาค พ, พื้นของการปฏิบัติคือให้เดินไปถึงจุดของศีลศีลจึงเป็นเรื่องของการงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทําในลักษณะย่ํายีตนเองแล้วย่ํายีบุคคลอื่นหรือเบียนเบียนตนเองและเบียนเบียนบุคคลอื่นแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับให้ความมั่นใจอะไรเพาะในแง่ของการปฏิบัติบุคคลก็จะพบว่า เขาก็จริงแล้วศีนั้นรักษากันขาดขา ด, ขาดวิ่นวิ่นอยู่เรื่อยแม้แต่ศีลห้าเองก็มีปัญหาในการรักษายิ่งศีนโวสถก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ยิ่งสูงขึ้นมันก็จะมีปัญหาใหญ่ในชั้นศีนรูตเจ้าจึงทรงเน้นแล้วที่เราพูดกันในตอนท้ายของศีนที่ว่าตัสมาศีหลังมิโสทะเยะเปรดนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของตนให้หมดจด ในชั้นต้องการชำระศีได้หมดจุดนั้นก็เพื่อให้ใจได้มีภา ค, คื้นที่จะรองรับความดีแล้วก็ก้าวเดินไปสู่ความดีที่ประณีตขึ้นเพราะในชั้นต้องการใช่วาจาระดับที่เป็นธรรมะเพราะบุคคลไดงงดเว้นจากการพูดคำเท็จแล้วแต่พูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงหรือไม่ และมองในแง่ของคําสั์คาจริง mm. ก็มีความละเมียดละไมลงไปในตัวของคสาสั์คาจริงเหล่านั้น mm. เพราะอะไรเพราะคสาสั์คาจริงบางอย่าง mm. พูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นพิษ mm. เป็นภัยมาสู่ตัวเองได้เราก็มองไปที่ตัวคสาสั์ซึ่งพูดแต่ละครั้ง mm. แต่ละคราวว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เมื่อตอบได้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ถามว่าเป็นธรรมไหมเมื่อมองเห็นว่าเป็นธรรมก็ถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าพูดไปมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ดูอีกว่ามันเป็นเวลากาละที่เหมาะควรจะพูดหรือเปล่าเมื่อมองเห็นเวลากาละที่เหมาะควรก็ดูผู้ฟังว่าเขาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจคือต้องดูกันหลายอย่าง ซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนั่นคือสติสัมมชัญญาหรือสติปัญญาที่จะมาวิเคราะห์ถ้อยคําวาจาที่จะเปล่งออกไปในแต่ละคราวเรื่องจริงนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเข้ามาช่วยเหลือด้วยคือความเป็นธรรมเป็นประโยชน์เหมาะสมแก่การผู้ฟังชอบใจหรือบางครั้งอาจจะไม่ชอบใจ แต่องค์ประกอบของถ้อยคำเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ตู ก, กาละแล้วก็พูดไปแต่ในกรณีของการพูดเช่นนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะต้องมีการโต้แย้งมีการขัดขวางแต่เมื่อมองเห็นประโยชน์ที่จะได้ก็พร้อมที่จะพูดทีด่จะแสดงออกไป ใจพื่อจะเดินเข้าไปในว จ, จีสุจริตที่เป็นประโยชน์สูงขึ้นโดยลำดับคือจะมองไปที่ประโยชน์และประโยชน์ที่บุคคลนั้นจะพึงได้เป็นประการสำคัญคอนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวแม้ผู้ฟังไม่ชอบใจเช่นการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในบางกรณีคนความกลุ่มหนึ่งไม่ชอบ เพราะเสียดแทงใจเขาแต่พระพุทธเจ้าจะมุ่งประโยชน์ของผู้ที่สามารถเข้าถึงธรรมะได้พระองค์ก็ทรงสแสดงที่แจงธรรมะเหล่านั้นในแง่ที่เป็นจริงเป็นธรรมเป็นประโยชน์ถูกกาละแต่คนฟังไม่ชอบใจกรนี้พึงดูตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่มาคันนิยาพราม นําที่ดาของตนคือมาคันธยามามอบถวายพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธเจ้าจะรับสั่งเรื่องนี้พระเจ้ารับสั่งเล่าพระประวัติของพระองค์ให้ฟังว่าเป็นใครแต่ในที่สุดก็มาสรุปว่า พ, พระองค์ไม่มีความยินดีในร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่างกายนี้ เป็นที่ประชุมคือเหมือนกับภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเราไม่สามารถที่จะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าซึ่งพรหมีดากับพระมณีบันดานั้นเกิดศรัทธาเรื่องสายบรรลุมรรคผลแต่ว่านางมาคันดยาปูกใจเจ็บพระพุทธเจ้าพระอาจารย์นั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์โดยถูกกาละ คนฟังบางพวกไม่ชอบใจแต่ด้วยใจที่กรุณามุ่งดีปรารถนาดีต่อคนนั้นก็พูดเรื่องราวเ่นั้นออกไปเพื่อในการตรวจสอบดูใจก็ตรวจสอบการเดินไปข้งใจไปใจจะเดินไปถึงขั้นไหนขั้นที่ใช้ปัญญาพิจารณาถ้อยคำวาจาในแต่ละครั้งและคราวได้ไปเพื่อจะมองไปในด้านของการงดเว้นจาก การพูดสอนเสียดเราจะดูอีกทีหนึ่งว่ายินดีต่อการได้ยินได้ฟังคําสอนเสียดหรือไม่หรือชอบฟังชอบดูเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนเสียดหรือไม่ก้อนี้เราสังเกตว่าบางครั้งเราอาจจะไม่พูดเองหรอกแต่ก็เราชอบฟังคนที่เขายุยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแย ก, กชอบฟังข่าวลือชอบอ่านใบปลิว ชอบดูภาพยนตร์ที่ยุให้รำตามให้รั่วต่างๆาแสดงว่าใจนั้นยังมีความโลภความหลงในสายนี้ยังไม่มีความสงบระงับคือสรุปว่ายังยินดีในบาปอยู่ก็พยายามที่จะยกใจกันไปจนเดินไปถึงจุดที่ เมื่อจะพูดจาวาจาอะไรก็ตามพูดไปในชั้นที่เป็นการเสริมสร้างสามัคคีให้บังเกิดขึ้นจากคนสองคนเป็นต้นไปถึงความสามัคคีภายในชาติบ้านเมืองภายในโลกในกรณีที่เขาสามัคคีกันอยู่ก็พูดกระชับความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีข้าวจะแตกร้าวกันก็พูดประสานสามัคคีให้บังเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือมาดูใจถึงการพูดของบุคคลอื่นพี่ผู้จ้าทรงสแสดงว่าชื่นชมต่อหมู่คณะที่มีความสามคัคคียินดีในความสามคัคคีแล้วในการพูดการกระทาของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี ซึ่งเขาก็จริงแล้วใจจะเดินไปขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่าทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจของบุคคลนั้นมีวิหิงสาอยูม่มากคือใจชอบการเบียดเบียนการประทุษร้ายการแตกแยกดังนั้นพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปจึงชื่นชมยินดีกับเรื่องเหล่านี้แม้จะไม่ทำเองก็ขอได้ยินได้ฟังได้ดู ไปไปมุงกับเขาในที่นั้นนนเพราะในกรณีของการมุงดูนั้นจะมุงดูในเรื่องพิบัติจะไม่มุงดูในเรื่องของความดีและคนส่วนใหญ่ในโลกก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าการการตรวจสอบดูจิตก็สวดเดินไปในจุดตัวนี้จนว่าจิตนั้นประกอบด้วยกรุณาเป็นหลักของใจ มีความเมตตามีความกรุณาต่อบุคคลทั้งหลายอะไรที่ตนเองพอพูดได้ก็พยายามด้วยตนเองอะไรที่ตนเองพูดไม่ได้แต่สามารถขอร้องอ้อนบอลบุคคลอื่นได้ให้ช่วยพูดก็ใช้ความพยายามเห็นคนอื่นพูดคนเอ็นเขาแสดงก็ชื่นชมยินดีในการพูดการแสดงของบุคคลนั้นแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เกีย่ยวกับความสามัคคี ความไม่แตกแย ก, กความเป็ น, นหนึ่งเดียวกันก็มีความชื่นชมมีความประทับใจมีความยินดีตึงแต่ละอย่างนั้นดูแลใกล้ๆจะง่ายแต่ในชั้นของการปฏิบัติก็จะต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างวิหิงสาคือใจคิดเบียดเบียนรู้สึกสะใจรู้สึกมันในอารมณ์ที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้น ฉะนั้นถ้าหากว่าปริมาณของคุณธรรมมีไม่มากพอใจก็อาจจะ ถ, ถูกท่วมทับด้วยพฤติกรรมเหล่านั้นคือชื่นชมยินดีในการกระทาที่เป็นการผิดศีลไปก็ได้ในเรื่องของวาจาไพเราะอ่อนหวานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการ ง, งดเว้นนั้นเป็นการตรวจสอบศรรีลแต่ถ้า ง, งดเว้นเฉย ใจก็ยังไม่ได้มีหลักอยู่นั่นเองมันก็ต้องเดินเข้าไปถึงที่มีความชื่นชมยินดีในถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตคำ ว, ว่าสุภาษิตนั่นก็คือพูดดีพูดงามพูดง่ายพูดแล้วก็ได้ประโยชน์ตนเองยินดีที่จะพูดถ้อยคําเช่นนั้นพอใจที่จะพูดเรื่องราวเช่นนั้นแล้วก็พอใจที่จะฟังที่จะได้ยิน ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิต ท, ที่เรียกว่าเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเรื่องราวของธรรมะที่จะก่อให้เกิดความสงบใจถึงยข้อนี้ถ้ามองจากจุดของผู้สนใจในธรรม mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยง่ายนักแต่ถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า mm hmm. เดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่งนั้นยากเหลือเกิน จนมีสูตรที่ปรากฏกันในหมู่คนไทยก็นานมาแล้วเอาฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างนี่ก็หมายความว่าถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตนั่นเอาก็จริงแล้วคนไม่ชอบใจไม่ยินดีที่จะฟังหรือฟังก็ไม่ได้นานๆแต่แต่เรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเพรสเชอเรื่องเดี๋ยวไรต่างๆคนก็กลับมีความชอบมีความชื่นชมยินดี ด้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนั้นพรุเจ้าทรงใช้รูปธรรมเข้าช่วยในการอธิบายก็หลายคำด้วยกันเช่นว่าปุพพพาณีคือพูดหอมเหมือนก็ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมัทุระพา น, นีพูดหวานหรือบางครั้งที่เราใช้คาว่ามัทุรสวาจา วาจาที่หวานโห่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดรู้สึกหวานโห่บางครั้งก็ใช้คำว่าปิยะวยจาจาเพราะวจาวจะวาจาเป็นที่รักหรือพูดจาน่ารักหรือพูดจาด้วยความรักมุ่งดีปรารถนาดีต่อผู้ฟังเป็นที่ตั้งซึ่งก็แนวในการพูดเหล่านั้นก็คงยึดแนวที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นในการตรวจสอบก็ดูไปโดยลำดับ ดูในช่วงกับการงดเว้นเห็นการงดเว้นแล้ ว, ลวเกิดชันทะอุตสาหะที่จะพัฒนาส่วนนี้ให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปก็ดูในแง่ของธรรมะ ว, า, วาจาเหล่านั้นมันเป็นเช่นเดียวกับใจหรือเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าอนยัสสะสดิสีวาจาวาจาเป็นเช่นกับน้ำใจ พระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะเด่นอยู่ประการหนึ่งที่เป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายอยู่มากก็คือรับสั่งอย่างไรพระไทยคิดอย่างนั้นพระไทยคิดอย่างไรก็รับสั่งออกมาจากนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นพระไทยบริสุทธิ์หมดจดุดทรานวจาจึงออกมาในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดุดรับสั่งที่แจงแสดงอะไรเป็นกุศลก็กุศลอกุศลก็อกุศลกลางกลางก็กลางๆ จะไม่มีความวิปริตในถ้อยคำเหล่านั้นถ้อยคำของพระองค์จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ไม่ต้องไปกำหนดเลือกเฟ้นอะไรกันกร น, นีท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่ายางในกรณีที่เทวดามากราบทูลถามมงคลกับพระพุทธเจ้าโรอมาถึงถวายบังคมก็กราบทูลถามเลย พระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พาการคิดมงคลขอพระภู้มีพระภาคเจ้าสัตว์บอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็เทศไปเลยกลายเป็นมงคลสามสิบแดข้อสาสิบแดลำดับเป็นขั้นบันได ย, ย่อยสามสิดขั้นบันไดหลักสามขั้นคือจากจุดธรรมดาสามัญไปจนถึงมรรคผลนิพพานไปเลยแล้วก็เรียงอย่างมีระบบจริง ไม่ได้มีการเตรียมอะไรไปเลยถามป้าก็ตอบไปปุ๊บทันทีนี่คือลักษณะที่จะเห็นได้ว่าพระวาจานั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะปัญญาของพระองค์หรือว่ามรรคนั้นสมบูรณ์ไอ้เครื่องทราบมองใจต่างๆมณตินก้นใจต่างๆก็ึงงบไปอย่างสิ้นเชิงปหัหาในพระวจาของพระพุทธเจ้าจึงไม่มี ในชั้นของการปฏิบัตินั้นก็ดูไปเท่าที่ปฏิบัติไปได้แล้วก็พยายามเพิ่มปูนเรื่อยไปเพราะในแง่ของสามัญชนทั่วไปคือตั้งแต่พระอนาคามีลงมาไม่มีอะไรที่เรียกชื่อว่าสมบูรณ์ในเรื่องของความดีมีจะต้องต้องเพิ่มอีกมากหรือเพิ่มอีกน้อยทอนนั้นเองแต่ทุกคนต้องเพิ่มด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องของ ทำเพื่อเจอิดเลวไหลยานที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีการสมุวจตรวจสอบทําเป็นสถิติเอาไว้ว่าในชีวิตคนนั้นใช้เวลาพูดวาจาเพื่อเจอิดเลวไหลไร้สาระหรืออยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นถึงเจ็ดปีสมมติว่าสมมติว่าเขาอายุเจ็ดิปีตายตใช้เวลาไปเฉพาะเรื่องนี้ถึงเจ็ดปีเป็นการชี้เห็นว่า วาจาที่เพื่อเจิดเหลวหลายเรื่องที่ไร้าสาระนั้นแต่และความนิยมชมชอบความสนใจจากคนมากเพการตรวจสอบชั้นแรกก็คือตรวจสอบว่าได้งดเว้นไปเมื่อตรวจสอบการงดเว้นแล้วก็ตรวจสอบการพูดเรื่องที่มีประโยชน์ไหมมาดูแล้วก็มีความยินดีในถ้อยคําในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไหม การหมายความมาถ้าเดิน ม, มาถึงจุดนี้พลังกิตก็ต้องแข็งพอคือสรุปง่ายๆว่ามีความยินดีในธรรมนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในปราพวสรดีว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ไง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ไง่ายคนที่ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมคนที่ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ เพรน้ำว่าไค่ธรรมก็คือไคร่มีความยินดีมีความพอใจในธรรมอันแสดงประโยชน์ในขวายของทุกกษัตย์มีการกำหนดรู้ความจริงเป็นประโยชน์ในขวายของสมุทัยสัตว์มีการพยายามละเป็นประโยชน์ในขวายนิโรธสัตว์มีการพยายามทำให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์มักมีการลงมือประพฤติ ป, ปฏิบตัติเป็นประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าจะได้ประโยชน์จริงๆต้องเดินมาถึงจุดนั้นไม่ใช่ท่องได้ว่าทุกสมุดไทยนิโรธมรรคแล้วก็ถือว่าสาเร็จประโยชน์แต่ต้องกําหนดรู้ทุกแล้วไม่หวั่นไหวด้วยทุกได้กําหนดละสมุดไทยได้ทําให้แจ้งนิโรธได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในมรรคได้ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วบุคคลก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้น การตรวจสอบในแนวนี้จึงกลายเป็นอนุสติประการหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในกลุ่มของอนุสติเช่นศีล า, านุสติจาคานุสติเป็นต้นเพีงก็ตรวจสอบในส่วนของมักกะสันั่นเองและจะต้องพยายามตรวจสอบกันอยู่เสมอเมื่อตรวจสอบพบบกพร่องก็เพิ่มพบสมบูรณ์พบดีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกโดยำลำนักเพราะยัง ม, มีทางไกลที่จะต้องเดินอีกมา ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป